ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รลบาฟังการแสดงธรรมโดยพระท่านสมณโพธิลักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2549ณนะเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่น่ารมเนียบรัฐบาลตอนที่15 ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ก, ก, าการดำเนินชีวิตของชาวโศกเราจำนวนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี่ก็ดำเนินต่อไปอาการชุมนุมครั้งนี้ก็คงจะต้องยืดเยนะื้อก็คงจะต้องยาวต่อไปอีก ทำไมต้องชุมนุมกันอย่างยืดยาวเหตุที่มันต้องยาวก็เพราะว่ามันไม่แรงเราไม่มีความรุนแรงเรามีแต่ความสุภาพมันมีแต่ความนิ่มนวลมันมีลักษณะอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นคนก็เลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวด เมื่อไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดคนก็ไม่จะค่อยไม่ค่อยจะรู้ทุกเท่าไหร่เพราะเมื่อไม่รู้ทุกขาเขาก็ไม่พยายามเลิกไม่พยายามออกมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นยิ่งคนที่ยิ่งดือด้อดึง ด, งดา น, ดา น, ดา น, ดานทนทนมันก็ยิ่งยากทับทวีเข้าไปอีกนี่เป็นสรรัจจ ะ, ะเราก็คงจะเข้าใจ ในสัจธรรมลักษณะนีนะ้และเราก็ไม่ปรารถนาที่จะทำความรุนแรงให้เกิดความรุนแรงเจ็บปวดแต่เราพยายามที่จะใช้ความจริงใช้ความรู้ใช้หลักฐานต่างๆที่จะออกมายืนยันออกมาเปิดเผยออกมาอธิบายชีย้แจงถึงความชอบธรรมความผิดความถูก ความควรความไม่ควรแม่แต่ที่สุดความดีความชั่วมาพูดกันให้ชัดเจนมายืนยันกันให้ชัดเจนมาอธิบายกันให้แจ่มกระจ่างกันไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นจึงจต้องเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเผยแพร่จะเรียกว่าสอนก็ใช่จะเรียกว่าเผยแพร่ก็ใช่ จะริยกว่าทำความเข้าใจก็ถูกต้องเพราอจะให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจกันให้ดีขึ้นดีขึ้นมันเป็นการเผยแพร่สัจธรรมเหตุการณ์ครั้งนี้จุดสาคัญที่มันเป็นจุดที่ทุกคนรู้ดีก็คือคือจุดแห่งความบกพร่องในเรื่องเจริยธรรม รุนในเรื่องของธรรมะนั่นเองมันเป็นความบกพร่องจุดนั้นชัดๆเพราะฉะนั้นเราพัฒนาถูกเป้าแ ล, ล้วล่ะถ้าเผื่อว่ามันบกพร่องทางธรรมะธรรมะไม่ใช่ความโหดร้ายรุนแรงฆ่าแกงทะเลาะวิวาทมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามกันก็ที่กล่าวมาแล้วนั่นคือธรรมะลักษณะธรรมะ เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีธรรมะยังไม่พยายามที่จะให้สิ่งธรรมะที่เป็นธรรมะนั้นเข้าไปในตัวเขาก็ต้องป้องปัดเขาก็ต้องไม่รับหรือจริงๆก็คือไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นการระบุโทษที่หนักที่สุดคืออวิชชา ไม่รู้ก็สุดโง่สุดดักดานเลยว่าไ น, นเถอะไม่รู้ในธรรม ะ, ะต้องต้องกำจับกำชากันลงไปว่าเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ในเรื่องอื่นคนรู้นี่รู้สารพัดรู้วิธีการโกงการกินรู้จากวิธีการที่จะทำความซับซ้อนที่จะได้เปรียบรู้วิธีที่จะ เอาชนะคาานรู้วิธีที่จะทําลายคนอื่นเขาอะไรต่างๆนาน า, นารู้สารพัดรู้การส ร, าสร้างสร้างสิ่งที่มอมเมาสร้างสิ่งที่เป็นพิษสร้างสิ่งที่ร้ายแรงสร้างอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรนี่เขาก็รู้กันได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคําว่ารู้คําเดียวนี่จึงต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่ามันหมายถึงอะไรมีเงื่อนไขอย่างไรมีจุดเป้า แห่งการรู้หรือไม่รู้ในลักษณะไหนต้องกาหนดเขตกาหนดกรอบกันลงไปบ้างเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเป็นเหตุการณ์ที่เปิดสักราชใหม่เปิดมิติใหม่เปิดนิมิตใหม่อะไรก็แล้วแต่มันสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นิมิตคือการสร้างมันเป็นการสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จึงยาก มันใหม่จนกระทั่งคนเคยรู้เคยเข้าใจเคยมีความเชื่อถือเห็นอยู่อย่างนั้นแต่อันนี้มันแปลกนอกจากแปลกบางทีย้อนแย้งด้วยย้อนแย้งกับลักษณะที่เคยเป็นเคยมีมันก็เลยยิ่งทำให้รู้ยากงงสับสนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นได้แต่เมื่อได้ทำกันไปแล้ว ก็เป็นการยืนยันได้ว่าคนเข้าใจยิ่งขึ้นคนเข้ามาร่วมมากขึ้นคนที่เคยเห็นผิดเคยเข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งกลับความเห็นถูกได้จากที่ผิดมาเป็นหน่วเห็นถูกได้เข้าใจขึ้นก็ามาร่วมไม้ร่วมมือเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆทุกวันวันนี้นี่การชุมนุม ที่เราประกาศไปว่าจะมีการชุมนุมใหญ่กันที่ตรงนั้นที่ปากก้อนงี้เป็นต้นพอประกาศออกไปสื่อสารออกไปแล้วคนก็รู้ไปทั่วประเทศรู้ไปออกไปนอกประเทศด้วยนอกประเทศจะมาร่วมด้วยก็มีในประเทศนี่ก็ โ, โหผู้ที่ไม่ตื่นหรือว่ายังดูสักก่อนอคอยดูข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งชัดเจนแล้วตัดสินละ ตกลงภารกร้อนคราวนี้ที่ไปชุมนุมที่นี่จะมาร่วมด้วยประกาศออกมาเยอะเกินตอนนี้ประกาศออกมา ก, นน ก, าออกมาว้างขวางเลยแม้แต่อะไรที่เขาบอก14กลุ่ม14บสสถาบันอะไรสิบสีกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็ไปรวบรวมกันมาเท่าที่ฟังมารู้มาเขาก็แสดงออกประกาศบ้างไอ้ที่ยังไม่ประกาศอาตมาว่ามีเหมือนกันนะ ยังไม่ประกาศตัวแต่ถึงเวลาจริงๆปึ๊บมาเลยรวมกลุ่มละโมมาเลยนะนอกนั้นประกาศตัวออกมอบ้างแล้วก็มีไม่ว่ากลุ่มไหนตัวกลุ่มไหนนักครูแทบทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องของเกเรวราคอะไรที่ดืนดา่าที่ไม่รู้อินโอนอินเนอะไรไม่เข่าท่าอะไรไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่มีความรู้มีปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่มีหลักหลักในสังคม แต่ละหลักแต่ละหลักแต่ละหลักหรือแต่ละกลุ่มแต่ละมวลแต่ละหมู่แต่ละสถานะตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจเกิดความเห็นร่วมมีอารมณ์ร่วมนอกจากเห็นร่วมแล้วเกิดอารมณ์ร่วมด้วยลักษณะเกิดอารมณ์ร่วมนี่มีมากขึ้นจนกระทั่งหลายคนเป็นการแสดงอารมณ์ที่มันร่วมแล้วก็มัน ตกผลึกหนาแน่นบางทีถึงขั้นแสดงออกแสดงออกแรงและระบายอารมณ์ออกมาแรงก็มีอย่างที่เห็นเห็นกันละ่ะพอมีอะไรขึ้นมาปั๊บก็อดทนไม่ไหวอารมณ์ก็ระบายออกมาแรงแรงแรงแม้แต่แค่กล่าวคาว่าออกไปกันนะั้นรู้สึกไปไปทดทั้งตัวไปทั้งสีหน้าสีตาเลยน ะ, ะจริงๆนะใช่ไหม ไม่ใช่ธรรมดาออกไอมันไม่ใช่ธรรมดาคาว่าออกไปคำเดียวนี่เปนต้นี่อาตมาพยายามจะสื่อจะอธิบายขยายความของลักษณะมนุษย์ให้ฟังไปตามลาดับง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์แม้เราไม่เป็นเราก็เรียนรู้ไปไม่ขาดทุนรู้ไว้ใช้ว่าใสาบาแบกคาม อันนี้มันสรุปเข้าเป้าที่ว่าทำไมต้องยาวก็อย่างที่กล่าวแล้วแต่ต้นว่ามันไม่ง่ายมันใหม่มันแปลกมันย้อนแยง้งมันทำให้งงสับสนด้วยอะไรงี้เป็นต้นกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้ความจริงกว่าจะรู้โอ้โหไอ้นี่ดีไอ้นี่ลึกซึ้งไอ้นี่วิเศษกว่าประเสริฐกว่ากว่าจะได้มีความความความรู้ถึงขั้นนั้นก็ต้องใช้เหตุปัจจัย ใช่เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความรู้ใช้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัด ท, ทั้งรูปธรรมนามธรรมหลายๆด้านมาสมรวมกันเข้าไปนะอัตมาเรียนมาทางศิลปะเข้าใจในลักษณะองค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบเนี่ยมันคือสิ่งอลไรละ่ะอย่างเอามารวมกันเข้ามาก็คือประกอบขั้นข้ากับองค์อะไรต่างๆนานา เมื่อมารวมเงนเข้าแล้วก็ต้องจัดสรรให้มันได้รูปได้ร่างได้คุณลักษณะได้สภาพที่เป็นประโยชน์มากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในเรื่องศิลปะอันนี้นะองค์ประกอบท่านรวมเรียกจริงๆเต็มๆว่าองค์ประกอบศิลปนะ์องค์ประกอบศิลปนะ์จริงๆก็องค์ประกอบนั่นแหละ แต่ทีนี่ทางด้านศิละปะก็มาใช้คาว่าศิละป ะ, ะนิติ1ิสสถาบันนะอันนี้วันนเมื่อกี้ที่พูดถึง14สถาบันก็เลยเอาหลักฐานนี้มาให้ดูนิตินิติสสถาบันก็ออกมารวมองประกอบต่างๆองประกอบศิลป์เนี่ยเมื่อรวมประกอบกันเข้าแล้วมันจะมีคุณลักษณะซับซ้อนอีกหลายอย่างหรือหลายในในนั้นอัตมาก็คงจะสาธยาย ความรู้ทางศิลปะออกไปไม่หมดหรอกนะมันต้องเข้าใจทุกอย่างเลยว่าเราจะมุ่งไมยอะไระมีจุดสำคัญอะไระมีองค์ประกอบต่างๆที่จะมีแนวโน้มโน้มนำอย่างไรเนื้อหาอยางไรองค์ประกอบที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวให้มันรวมเข้ามาหาหนึ่งเดียวอย่างไรไอ้กระเส้นกระสายอยู่ไอ้ที่ยังไม่เข้ า, ารูหมู่เข้ากลุม่มอ่ จะต้องยอมอย่างไรลักษณะที่ไม่ค่อยมาด้วยกันไปด้วยกันเลยขัดแย้งกันแท้ๆเลยเรียกว่าคนละฝั่งคอนทราสต์กันอยู่อ p โปสิตกันอยู่อะไรก็แล้วแต่จะจับมารวมกันอย่างไรหรือให้มาเชื่อมกันเข้าอย่างไรประสานกันอย่างไรทั้งๆที่อยู่ในลักษณะต้านกันเลยขานแย้งกันด้วยอะไรงี้เป็นต้น เขาต้องเขาต้องมีความเข้าใจว่าเราจะจัดสรรอย่างไรให้รวมอย่างไรจนกว่าจะดูแล้วเป็นลักษณะที่ดูแล้วองค์รวมก็ดูได้ว่าโอ้มันยังไม่ไม่แตกองค์รวมดูแล้วก็ยังเป็นยูนิตี้หรือว่าเป็นเอกภาพอยู่พอสมควรแต่ในเอกภาพนั้นมีความหลากหลายอย่างที่เคยพูดแล้วว่าลักษณะทุกอย่างมันเป็นลักษณะยูนิตี้ออฟดิเวอร์ซิตี้ คือเป็นเอกภาพที่มันมีความหลากหลายแตกต่างกันผสมผสานอยู่ในนั้นแต่อยู่กันได้รวมแล้วอยู่กันยังดูดีนะเป็นเอกธรรมดูดีเป็นมวลที่กลมกลืนกันฮาร์โมนะีกลมกลืนกันได้แทั้งที่มีลักษณะเห็นอยู่ว่าหลายๆอย่างบางอย่างแตกต่างกันแต่มันก็อยู่กันได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นจะจัดอย่างไรนี่เป็นความสามารถหรือเป็นความที่เราจะต้องศึกษานะสภาพที่เกิดสภาพที่เราต้องการต้องการให้เกิดงานครั้งนี้เนี่ยมีกลุ่มชุมนุมมีกลุ่มชุมชนเนี่ยมีคุณลักษณะอะไรมีสีสันอย่างไรมีโทน มีสีรวมองค์รวมเนี่ยมันก็มีลักษณะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่มันต้องเข้ากันได้และมันจะมีลักษณะอย่างไรนะมีโทนาริตี้อย่างไรพวกนี้ซึ่งเป็นความรู้ทางศิลปะที่จะต้องเข้าใจหลากหลายมากมายนะน่ะบรันวิดเวลาที่จะจัดสรรเวลาที่จะจัดคอมโพสิชันจะจัดองค์ประกอบศิลนเนี่ยต้องมีความรู้พว ก, พวกนี้ ทีอ่อาตมาอาตมาเข้าใจศิลปะในระดับโอโลกุตระหรือในระดับระดับของมนุษยชาติหรือสังคมมวลหมู่ไม่ใช่เป็นการเข้าใจอย่างตืง้นๆเท่านั้นมันเป็นความเข้าใจทั้งแนวกว้างและแนวลึกที่มีมากมายในความเป็นคนอาตมาศึกษาธรรมะด้วยเพรา ะ, ะนั้นจึงเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณด้วยและต้องใช้ความรู้ทางจิตวิญญาณอย่างยิ่ง ที่จะจัดสรรหรือจัดคอมโพ i ิชันของจิตวิญญาณด้วยจะจัดอย่างไรมันถึงจะได้ลีลาได้ทั้งลีลาได้ทั้งองรวมได้ทั้งสิ่งที่จะมีแนวโน้มแนวนำสิ่งที่จะเนียวนำสิ่งที่จะเข้ามาสู่จุดที่ต้องการมีเอนทร์เท p o พอยที่เราจะต้องรู้ว่าจุดอะไรที่เราต้องการนี่เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้เป็น ความรู้ที่อาตมาเอามาใช้ใช้ในการทำงานเสื้อตมาบอกอาตมาทางานทุกวันนี้อาตมาใช้ศิละปะในการทำงานมาตลอดศิลปินทั้งหลายแหลที่วาดรูปเขียนรูปที่พยายามถ่ายรูปที่พยายามปั้นรูปจะพยายามสร้างอะไรศิละปะในสามในต่างๆนั้นนะไม่ว่าจะในจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหรือว่าวรณกรรมหรือว่านาฏกรรม ดนตรีการอะไรก็ตามถึงเป็นรากเงาของศิล ป, ปะเพียวอาร์ตห้าห้าห้าอย่างแต่โบราณเดี๋ยวนี้เขามากมากกว่าห้าแล้วเขาตั้งเป็นอะไรก็อาร์ตอาร์ตไหมดเลยไม่รู้อะไรอาร์ตศิลปะอะไรมัางก็ไม่รู้ศิล ป, ปะในการมอมเมาเ็าเรียก Art. อาร์ตเลอะเทอะไปหมดและเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อเองเรียกเอง ก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ไปแยง่งไปเถียงอะไรเราเขาอยากจะใช้ก็เรื่องของเขางานครั้งนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกปรือแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าเราเองเรามาทำงานนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างรามีผลอะไรมีความสุขไหมมีสิ่งเจริญงอกงามไหม ความเจริญเจริญคืออะไรมีการตู่ทวงมาในข่าวเมื่อกี้นี้อาตมาดูดูตามหนนักสืพิมนะบอกว่าทอรอทอไม่ใช่นักสืพิมพ์เป็นเน็ตอินเทอร์เน็ตเขาปริ้นออกมาให้ดูว่าทอรอทอมองว่าชาวกองทัพทำหรือคุณจำลอง เขาไม่เคยกล่าวชื่ออาตมาเพราะว่าคุณจําลองเป็นเป็นยี่ห้อเป็นชื่อเอาคุณจําลองเป็นยี่ห้อ <c oughs> นําเรื่องนํามวล <c oughs> ท่านตรทก็บอกว่าท่านกลุ่มกองทัพรรมนี่อาศัยโอกาสนี้เพื่อเผยแพร่ลัทธิ <c oughs> เขาวางาั <c oughs> ้ินอาตมาว่าอาตมาไม่ไม่แยงไม่เถียง ถ้าคุณจะเข้าใจว่าเราเผยแพร่รัติก็ได้ขอยืนยันว่ารัตินี้นี่คืออะไรรัตินี้คือธรรมะกองทัพธรรมเรื่องที่เกิดเรื่องที่เกิดคราวนี้นี่คือเรื่องนายกไม่ชอบทำไม่มีจริยธรรมสรุปหรือว่าพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่านั้นก็คือ การเมืองไม่มีธรรมะนี่คือเป้าใหญ่แน่นอนนายกก็เป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาลเพราะนั้นก็เป็นการคัดค้านประท้วงรัฐบาลว่าท่านทำไม่ถูกนะท่านทำไม่ชอบทำนะมีอะไรก็สาธยายกันมายืนยันกันมาผู้รู้ออกมาเปิดเผยตัว ออกมาชี้แจงออกมาอธิบายหรือมีหลักฐานยืนยันทางทฤษฎีก็ดีทางหลักฐานที่มันมีจริงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทั้งรูปธรรมนา ม, มาทําอย่างไรก็เอาออกมายืนยันอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะประกาศสัจธรรมได้ผลมากเหลือเกิน อาตมาว่างานครั้งนี้งานประท้วงครั้งนี้จะประท้วงนานไปอีกเดือนสองเดือนสมเดือนอาตมาก็ว่ามีประโยชน์เพราะมันมีจุดสําคัญมาตั้งแต่แรกแล้วจุดที่จะต้องพยายามทําอย่างไรให้เกิดธรรมะใช่ไหมเพราะมันบกพร่องธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นให้มันถูกลักษณะของมันว่าอันนี้คืออะไร อันนี้คืองานที่บกพร่องทางธรรมะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะอย่ใช้ธรรมะกันจนกระทั่งเปลี่ยนเรียกว่าแม่น้าเปลี่ยนสายเปลี่ยนแต่ก่อนนี้ถ้ามีกลุ่มชุมนุมประท้วงประท้วงรัฐบาลประท้วงนายกประท้วงผู้บริหารประเทศไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ประท้วงมากก็แม่น้าสายเดิมประท้วงแล้วก็ หนักหนาสาหัสรุนแรงพเด็ดศึกกันให้เร็วไวอะไรก็แล้วแต่ไม่เย็นเย็นไม่พอสุภาพไม่พอทนไม่พออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าร้อนแรงร้อนเร็วพวกพร ะ, ะทำลายแต่คราวนี้ไม่ใช่ซะแล้วไม่ใช่แม่น้ำสายเก่าเป็นแม่น้ำสายใหม่ที่เปลี่ยนเป็นแม่น้ำเปลี่ยนสาย มาเป็นการประท้วงแบบสายใหม่แนวใหม่แบบใหม่เริ่มต้นประท้วงกันอย่างเข้าได้เข้าเข็มก็มีกองทัพทำก็าามาธรรมญาติตราเข้ามาถึงก็เอามีโอ้โหไม่ได้เกิดการสร้างวางแผนไว้เลยนะว่าจะต้องมีทั้งพระพุทธรูปสมณะก็จะมันนั่งเป็นอันดับเป็นประธานเป็นมวลอะไรอย่างนี้ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยเจ้าประคุณเถอะ ใครจะเข้าใจว่าเราเองเรากะเกณฑ์ว่าจะต้องทำอย่างนี้เพื่อจะได้ผลจะได้อะไรวางแผนมาซับซ้อนไม่มีเกิดไปตามธรรมชาติเกิดไปตามทำทุกอย่างมันตัดถับตามันเป็นข้อมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้เกิดการวางแผนวางเพินอะไรเลยเพราะมันเป็นข้อมันแล้วมันมีเส้นสายมันมีรูปร่างมันมีและมันมี อ, อจินไต่ที่เราไม่รู้เราว่าอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งใโลก อจินไตคือสิ่งที่มันคิดไม่ถึงคิดไม่ได้แต่มันเหมือนมีอํานาจอะไรที่มาให้มันเกิดเป็นอย่างงี้เป็นนี้เป็นนี้เขาก็เลยถือว่าอันนี้ เ, เป็นอํานาจพระเจ้าเป็นอํานาจศักดิก์สิทธิ์เป็นอำนาจอะไรเขารู้กันไม่ได้แต่ตรมารู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันมีทุนมาเก่ามันมีทุนมาแล้วนะมันเป็นมอริคคอสตรือไง <laughs> มันเป็นบุญ่ะมันมีไม่พูภาษาอังกฤษว่าบุญมันเป็นบุญเป็นทุนที่เป็นบุญนะจะเรียกว่าไงเป็นทุนที่เป็นบุญบารมีถ้าจะเรียกสูงไปไหนก็บารมีมมามันมีมาแล้วมันก็เลยมันเป็นทั้งนา ม, มารรมและรูปธรรมที่เราเองเราเร า, เราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้นึกหรอกยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรากาลังจะสร้างบัลลังกรูปนี้เป็นต้น เราก็อบบอกแบบกําลังออกแบบกำลังแก่แบบแ ก, แก่อะไรเสร็จเขาก็บอกว่าอ้าวทางน้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาแก่แบบเสร็จแล้วน่าจะอส่งมาเอาไปค้นมาไอเราก็ลัอยู่ที่นี่กันซะเยอะเอาแล้วจะค้นไปยังไงละ่ะคนก็มาอยู่ที่นี่รถราก็มาอยู่ที่นี่ซะเยอะก็ค้นมาที่นี่ก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้น <S <S มันก็เป็นรูปประธรรมเป็นของมันเอง <S <S <S เราไม่ได้เจตนา <S <S แม่ที่สุดอ้าวไม่ต้องเล่ายาวเหตุการณ์มันก็เกิดมาแล้วสรุปแล้ว ถ้าเรารู้ว่าชีวิตนั้นเกิดมาเพื่อที่จะต้องมีกรรมมีวิบากกรรมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจต้องสังเกตรกรรมกิริยาของเราเองทุกคนแล้วก็พิจารณากรรมเนี่ยกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมไหนมันจะไปส่วนไปเป็นสัดส่วนที่จะเสริมสร้างให้มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเราทำอันนั้นด้วยปัญญาเท่าที่เราจริงใจแม้จะมีภูมิไม่สูงก็เอาสุดภูมิของเรานี่แหละ พิจารณาวินิจฉัยซะว่าอันนี้ดีกว่าต้องทำสิ่งที่ดีด้วยความจริงใจปากบันมุ่งมั่นเอาเข้าไปกรรมที่เป็นปัจจุบันจะเป็นตัวแปรทุกๆกรรมแปรกรรมอดีตแปรกรรมอนาคตกรรมปัจจุบันนี่เป็นตัวแปรตัวอนาคตจะเป็นไปอย่างไรเกิดจากอดีตกับปัจจุบันอนาคตมันยังไม่มีหรอก มันมีเมื่อไหร่มันเปปัจจุบันทั้งนั้นมันไม่มีหรอกเพราะมันมีเมื่อไรมันปัจจุบันแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีกรรมกริยามันมีตัวที่กำลังเกิดปัจจุบันอยู่ c o n t i n u a มันเกิดตัวนี้อยู่ในปัจจุบันเนีมันเกิดตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะทำ c o n t i n u a ตทำปฏิสัมพัทธ์ทความเชื่อมต่อ ให้มันต่อไปเป็นอดีตก็ดีต่อไปหาอนาคตก็ดีจะคอนตินิยอย่างไรตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะเราจ ะ, จะต้องพยายามพยายามทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดและก็จะต้องใช้ปัญญามีสติสัปพัญญาปัญญาวินิจฉัยพิจารณาตลอดเวลาต้องมีสติมีสัปพัญญาแล้วก็พิจารณา พิจารณาใ ต, ตรองเลือกเฟ้นเท่าที่เราจะฝึกฝึกจิตวิญญาณของเราหัดฝึกพิจารณาเลือกเฟ้นอันนี้คำคำนี้สำคัญ พ, คค พ, พิจารณานี่คำคมันแปลพิจารณาเนี่ยสำคัญนะเมื่อพิจารณาเกิดดีเขาก็เรียกว่าเกิดวิปัสสนาญาณถ้าพิจารณาเกิดผิดมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาญาณมันเห็นเหมือนกันมันมันมันไม่เป็นญาณรู้แต่มันเป็น ความไม่รู้มันเป็นความมิจฉามิจฉาญานมันไม่เป็นสมยนัยญาณมันเป็นความรู้ที่รู้ผิดปัจจุนั้นต้องพิจารณาดีๆแต่มันบังคับไม่ได้หรอกคนนะคนที่ใช้ของตัวเองมีมากเท่าไรมันก็เป็นเป็นของเราะเรามีเท่านี้เราก็บวกลบคูณหารได้เท่านี้เครื่องยนต์ของเรามันเท่านี้นกลไกคอมพิวเตอร์เรามันมีคุณภาพเท่านี้บวกได้เท่านี้ลบได้เท่านี้หารได้เท่านี้นะ เกิดการทําปฏิกิริยาของมันเสร็จสังเคราะห์วินิจฉัยอะไรก็แล้วแต่ได้เท่านี้มันก็เท่านี้นะเมื่อทําแล้วเราก็ปฏิบัติไปความสุขความทุกนั้นมันอยู่ที่มันมีสุขสองอย่างที่อาจามาเคยอธิบายแล้วสุขอย่างหนึ่งก็คือสุขอย่างโลกนะีสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขอย่างโลกุตระ สุขยังโลกีนั้นก็คือเราได้ตามที่เรามุ่งหมายหรือเรียกว่าตัญหาเราที่เราต้องการได้ตามที่เราต้องการพอเป็นโลกโลกก็เอามาบําเรอกิเลส ก, กามเหมันบําเดรูปโลกดินเสียงสัมผัสมําเ ร, าเราอัตตาแต่ทางธรำก็บําเรอเหมือนกันจะว่าแล้วบําเรอความมุ่งหมายต้องการที่จะดับภพบดับชาติดองความจะดับกามต้องการที่จะดับอัตตาจะลดละอัตตา ก็มีความมุ่งหมายเรียกว่าวิภาะวะตัณหาตัณหาที่ไม่มีพบเป็นตัณหาอุดมกติหรือตัณหาอุดมการเมื่อเราได้สิ่งที่มันเป็นไปตามที่เราต้องการเออเราฆ่ากิเลสได้มันก็สุขสุขเพราะเราได้ผลได้รับผลได้รับผลดีที่เราต้องการแต่มันซ้อนตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไปเสริมให้กิเลสโต การดับกิเลสหรือฆ่ากิเลสลดกิเลสได้แล้วได้แล้วก็ดีใจที่เรากิเลสได้เราฆ่ากิเลสได้มันดีใจอันนี้มันต่างกันกับที่ไปเสริมกิเลสแล้วกิเลสอ้วนขึ้นโลกโลกไม่รู้จักกิเลสแล้วก็เสริมกิเลสไปตลอดเวลาจึงเรียกว่าปุตตุชนเพราะฉะนั้นการสุขเพราะว่าได้สมใจในกิเลสถึงกันรุนแรงถึงกันหยาบคายเป็นลักษณะสดซาดิสน่ะซาดิสมาสคิสอะไรพวกนี้ แ, แต่ตัวเองจะท้องทุกร้อนเจ็บปวดก็สุขไอ้พวกมาสุขคีซินียิงลายแรงโอ้หนักหนาสาหัส ต, ต้องตัวเองต้องแรงแรงจัดจ้านต้องเจ็บต้องปวด อ, อะไรในตัวเองมันสุขมันร้ายกว่าซาดิสิคซาดิสเห็นคนอื่นเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์ทรมานเขาร้ายมันอร่อยไอซาดิสเน่มันรุนแรงจงกระตั้งมันไม่รู้จักความรุนแรง มันไม่รู้จักสิ่งที่นูญเสียแล้วมันก็เป็นสุขสมาสกิสนั้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดตัวเองแรงตัวเองมันมันโอ้มันยิ่งร้ายแรงใหญ่เลยมันกลับตลปัดไปหมดเลยมันคนเรื่องเลยมันยิ่งหนักเพราะะในความสุขของโลกก็มีอยู่อย่างนั้นส่วนความสุขของโลกุตรานั้นคือมันลดไอ้สิ่งที่เป็นโลกโลกตรงนี้ทั้งนั้นแหละมันลดความเป็นโลกโลกไปทั้งหมด นั่นคือความสุขสงบระงับลงไปมีดิฉันเดินทางมาร่วมชุมนุมแล้วถูกคนไม่เข้าใจเขาว่าเราโง่ที่ไปเชื่อฝ่ายพันธมิตรเราจะทำอย่างไรและควรจะชี้แจงหรือไม่ในระหว่างเกิดสงครามนีของชี้แจงยากอพอเจอทัศศึกก็เลย เออมานี้มานี้มานี่จะชี้แจงข้าศึกมันจะฟังเหรอมันถือปืนมาด้วยนะปืนในใจอะ่ะมันไฟฟังรอคุพูดก็ไม่รู้เรื่องเราคุณยังไปตอแยอก็พยายามรักษากิริยาให้ดีอย่าให้ปเป็นการยั่วยวนเขาะจะทำอย่างไรก็คืออย่าไปทำกริยาตอบโต้ให้เป็นการยั่วยวนเขาแม้ว่าจะรู้สึกว่าเราเหมือนยอมเหมือนแพ้ก็ดีกว่า ยอมมันยอ ม, ยอ ม, มนแพ้ก็ดีกว่าแต่ถ้าใครที่เก่งสามารถทําได้ว่าเราก็สง่าผ่าเผยแข็งแรงไม่ได้แพ้แต่เขาไม่มีปฏิกิริยาแรงตอบมาหรือมีแรงเพิ่มขึ้นถ้าคุณทําได้คุณก็ทําอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่ทําได้เก่ง <c oughs> ก็ทําก็ยังสง่าผ่าเผยยังกล้าหาญองอาจแต่ระวังนะอาจอาจอาอา จ, อา จ, อา จ, อาจแล้วมันมันยั่วเขาหนักเขาอันนี้จะหาวัตมามายุนะ มันเป็นธรรมดาธรรมชาติตอบอย่างไรการธรรมาก็บอกไปแล้วว่าระยาไปก่อให้เขาเกิดโกรธตอบแม้ว่าเราจะยอมให้เขาเข้าใจว่าเราแพ้เราอ่อนน้อมถ่อตนก็ยอมเถอะอย่าไปสร้างความรุนแรงเลยไม่ว่าในลักษณะใดๆนะเพราะความรุนแรงไม่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ยิ่งเกิดในลักษณะยงนี้ยิ่งสาคัญมากและโดยเฉพาะการต่อสู้คราวนี้เป็นการต่อสู้ดวยวิ ถมใหม่แนวแม่น้าสายใหม่การต่อสู้ในความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการต่อสู้ในทิศทางที่นุ่มนวลมีความเข้าใจมีความเห็นใจเราเห็นใจเขาเหมือนกันน ะ, ะมีความเข้าใจมีความเห็นใจมีความกรุณาปรานีมีความสงสารมีความเกื้อกูล เราใช่ทุณครลักษณะพวกนี้นะมี compassion มี sympathy หนะลอ่อภาษาฝรัง่งสักสองตัวนะมีลักษณะที่มันมีความเมตตาเกื้อกูลมีความเห็นอกเห็นใจเขา sympathy นะเราเข้าใจเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องพยายามที่จะต้องเป็นคนอีกส่วนหนึ่งอีกลักษณะหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนเราถ้าเปิ่ว่าเข้าใจเข้าเห็นใจเขาแล้วก็มีความเมตตาเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้นะนมี compassion หรือมี compassionate หรือมีลักษณะ sympathy อย่างที่ว่านี่มันจะเกิดลักษณะหนึ่งในกลุ่มชนมันจะเกิดจริงๆเพราะถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่หนึ่งเป็นความสุขที่เกิดผลดี ผลดีในทางละกิเลสหรือละความรุนแรงสร้างสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็เออเป็นความสุขดีใจถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้นะสุขนี่มันเดือนกว่าแล้วอาตมาก็มันนั่งอยู่นี่เช้าก็มาเย็นก็กลับมาทำอะไรมีอะไรมาอันนั้นมา น, นี่มาก็รับแขกไปอะไรอะไรไปต่างๆนานา ตอนแรกๆนั้ยิ่งต้องเขียนหนังสือต้องเขียนอะไรให้เสร็จเรื่องๆให้เสร็จตอนนี้ก็ค่อยๆช่วรเสร็จไปแล้วก็พรามันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าพักไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนก็พราไปอาตมาไม่ได้เหนื่อยหน่ายอาตมาก็มีสุขดีและยิ่งเห็นสุขเพราะอาตมาว่าอาตมามีปัญญาว่าควรจะยินดีจะเรียกว่าสุขหรือควรจะมีความยินดีมีความพอใจยินดีในสิ่งที่ดีน่าจะยินดีด้วย เป็นมุทิตาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเราก็ยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาแต่ธรรมาก็ไม่ได้ติดใจเมื่อมุทิตาแล้วอาตมาก็อุเบกขาก็วางก็ปล่อยเฉยกลางรู้ตามสภาพเข้าใจตามสภาพแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพทำอยู่ตลอดเวลาพวกเราก็ควรจะต้องฝึกอย่างนี้รู้อย่างนี้ว่าสิ่งนี้น่ายินดีไหมน่าจะสุขหม เมันน่ายินดีนะสิ่งที่เกิดนี่อาตมาเห็นสภาพธรรมที่ของเมืองเมืองไทยเนี่ยเกิดการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลามาตั้งเป็นเดือนแล้วเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งน่าเอ็นดูแต่ก่อนนี้กลัวก็ไปหมดไม่กล้ามาแล้วคนโตคนหนุ่มคนสาวยังไม่เคยกล้ามาเลยตอนนี้หนุ่มก็มาสาวก็มาแล้วคนแก่ก็มาจูงกันมา นั่งรถเข็นมาเด็กก็เอามาเด็กยังเดินไม่ได้ยังเอารถเข็นมาใส่รถเข็นมาไม่กลัวแล้วเพราะไว้ใจว่าเอออันนี้เกิดลักษณะมันเป็นลักษณะสุภาพนิ่มนวลสวยงามมันไม่มีความแรงน่ากลัวเป็นความน่ารักเป็นความน่าชื่นชมด้วยซ้ำไปเ อ, อย่างนั้นด้วยซ้ำไปม เพราะงั้นก็เลยไว้ใจเข้าใจมามาก็มาเป็นองค์รวมมาร่วมร่วมอะไรแค่เด็กแแบเบาแล้วเขาก็เอาผ้ากู้ชาติผูกเข้าไปที่เด็กแล้วก็นอนคนเห็นก็ไครสัมผัสแล้วก็เกิดอะไรอะไรเกิดขึ้นน่าเอ็นดูเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เป็นศิลปะทั้งนั้นเลยเป็นองค์ประกอบของศิลปะเป็นองค์ประกอบของศิลปะ เด็กตัวน้อยเด็กตัวกลางอาออกไปออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยน้าหนักของมวลเด็กแสดงแกอินโนเซตแกไม่รู้เรื่องหรอกว่าออกไปหมายความว่าอะไรแต่ก็รวบทำํำมันจุดในใจแล้วแกก็มาเป็นหน่วยส่วนร่วมออกไปออกไปก็เป็นองค์ประกอบของศิลปะ ท, ที่มีเส้นแสงเงาสีมีรูปร่างมี อะไรต่างๆนัานนาผสมประสานกันเข้าแล้วอมืมันสมบูรณ์ละเกินครบครันดีละเกินออาตมธิบายในฟังดีๆนะหลายอย่างอธิบายเป็นภาษาไม่ออกคุณจะต้องเข้าใจถึงความรู้สึกใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในจิตวิญญาณมนุษย์เพราะฉะนั้นการชุมนุมคราวนี้เป็นชุ ม, มนุมอย่างแม่น้ําสายใหม่ที่แยกสายออกมาไม่เหมือนเก่าคนจึงเข้าใจยังไม่ได้แล้วก็ยังเข้าใจด้วยว่า เฮ้ยไอ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีแม่น้ําสายแยกไปนี่มันมันจะมาทําลายของเดิมหรือเปล่าจะมาทําลายหรือเปล่านี่จะเอาสมบัติของแม่น้ําเดิมไปหรือเปล่ามันดีหรือว่าไม่ดีแม่น้ําสายเก่านี่มันเก่าแล้วมันใช้การไม่ได้แล้วแล้วมันก็ไม่ไม่มีท่าหรอกมันสูญเสียมันจะเกิดเมืชุมนุมกันทีก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อจะต้องเผานนเผานี่จะต้องทําลายนนี่ก็เลิกแม่น้ําสายเก่าได้แล้ว แต่คนซ้ายเก่าเขาไม่เข้าใจเขายึดถืออันนี้ต่สําเร็จแบบนี้มีความคิดเก่าๆแต่สําเร็จได้ต้องต้องทําอย่างนี้จึงจะสําเร็จกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเห็นว่าเฮ้ยแนวใหม่มิติใหม่นิมิตใหม่แม่น้ำํำสายใหม่นี่โอ้โหดีนะดีนะกว่าจะเข้าใจอย่างนี้ตอนนี้ผู้รู้เรื่องปัญญาชนออกมาแล้วนี่กลุ่มกกลุ่มกี่กลุมกล่ ม, มบอกมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สายนิติศาสารตร์สายรัฐศาสตร์สายสังคมศาสตร์แม้แต่สายศาสตร์การเงินนะก็เข้าใจแล้วโอ้โ ห, โหคุณพิเชษต์ออกมาถแถลงมันหมดแล้วนะเงินนะ่ะดูซิในอ น, นุนินียอะไรโอ้โหอาตมามันเคเก่งการเงินอนะในชีวิตมามีแต่ถูเขารีดเข้าไถเขากินเขาเป็นหมู ในวงการพนันก็เป็นหมูในวงบิลเลียดก็เป็นหมูหมูตื่นเขาต้นกินเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วอาตมาไม่เก่งในเรื่องการเงินนะผ่อนส่งผ่อนสึงเขาจะกินเขาจะบวกลบคูณหารทบต้นยังไงก็โอ้เป็นลูกค้าที่ดีพอเสร็จผ่อนส่งก็หมดปั๊บเขาก็จะนึกซื้อตามมาเลยว่าท่านเป็นลูกค้าที่ดีเชิญอีกที่แท้นะเราดูทุครีดเขาเฉือไปได้อย่างซื่อสัตว์ซื้อตรง เสียดอกเสียเบีย้ยเสียอะไรก็เสียเขากินอย่างสบายเขาก็ชอบชมเชยเราก็นึกว่าเขาชมเรานะที่แท้เราถูกเฉือนถูกถูกเขาดีต อ, อไม่รู้ตัวอะไรงี้เป็นต้นก็าจับใจไปก็หลงไปอย่างนั้นแต่ก่อนนี้ไม่เก่งในเรื่องพวกนี้อาตมาไม่เก่ ง, งจริงจแต่นี้เขาก็ออกมาทางนั้นไม่ว่าหน่วยไหนตัวหน่วยไหนแล้วตอนนี้หมดละแม้แต่เด็กแต่เล็กก็มากันหมดได้ นี่ที่อาตมาพยายามที่จะขยายความให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นนะเรื่องธรรมานี่ไม่ใช่เรื่องแคบแคบไม่ใช่เรื่องสันส้นๆไม่ใช่เรื่องนิดๆกลุ่มเดียวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องโล ก, กวิถูเป็นเรื่องต้องรู้จากโลกทั้งโลกอาตมาเป็นบริษัทเนี่ยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็มาพูดให้ฟังธรรมะหรือว่าพุทธธรรมของาศาสนาพุทธในเมืองไทยมันเถรวาท กรอบมันแคบเทระวาสในกรอบแคบค่อนข้างจะเอียงมาข้างพระป่าพระทางรุสีแม้แต่ที่สุดทุกวันนี้แม้สมาธิมันก็เป็นสมาธิรุสีไปแล้วนี่คือความจริงที่เกิดในเมืองไทยและเมืองไทยเป็นแกนหลักของาศาสนาพุทธเพราะงั้นเมืองไทยก็เลยกลายเป็นสมาธิก็เลยกลายเป็นออกไปแบบรุสีกันเกือบทั่วโลก สมาธิแท้ๆของพุทธนั่นนะ่ะสายมหายานดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจมรรคองคป8มหายานไม่เข้าใจมรรคองแปดของเขารับทางของเขาเปิดไปหลายสายเกินไปมันเลยไม่ใช่ทางแดสายมันเลยกลายเป็นสายเละเอะเทอะเละไปหมดเลยมหายาน พราะฉะมันก็เลยเป็นสมาสมาธิไม่ได้อันนี้เพืคือความสูญเสียไปแล้วมันความเพียนเลื่อนเปื้อนไปแล้วนะมาหายานก็ไปอย่างหนึ่งเถราวาดก็ไปอย่างนึงก็เลยมิจฉาทิฏฐิไปทั้งคู่อัตมาพยายามที่จะจับส่วนที่ถูกต้องของมาหายานส่วนที่ดีของมหายานส่วนที่ถูกต้องของเถรวาดหรือส่วนที่ดีของเทราวาดเอามายืนยันเอามาให้มันเป็นคันลองเดิมของพระพุทธเจ้า อาตมาไม่ได้สร้างใหม่นะของเดิมพระพุทธเจ้าจับสิ่งที่ถูกต้องตามที่อาตมามีภูมิก็มาพยายามกระทำเพราะจงเข้าใจแม้กระทั่งความเป็นสุขแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราติดสุขไม่ได้สุขก็เป็นอุปกิเลใอีกระดับหนึ่งแม้จะเป็นวูบปสมัสุขปรมังสุขขังที่ใช้ภาษามายอมเรียกเอาใช้ภาษามาแต่ว่าปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขขงั ง, ง, ขขงคิดเราจะเป็นนิพพานก็ตาม พระพุเจ้าก็ตรัสไว้ชัดว่าอย่าไปยึดนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็คงจะต้องไปตามสูตรที่ออกมากันเอามาใช้แล้วนะแต่ไม่ได้ไปจดสูตรข้อเล่มอะไรอะไรเอาไว้เพื่อที่จะเอามายืนยันมาอ้างอิงอะไรเนี่ยเราก็ไม่ใช่นักวิชาการเท่าไหร่ก็เลยแต่คิดว่านักวิชาการฟังไว้แล้วก็เดี๋ยวเป็นโน้นโน้มาให้หน่อย นะอย่าไปยึดนิพพานว่าเป็นเราเป็นเขาแต่พวกเราก็คงเคยได้ฟังแล้วมันเคยอ่านเคยผ่านแม้แต่ที่สุดแม้ได้นิพพานแล้วอาศัยพระอรหันตุกององอาศัยนิพพานอาศัยยุทธสุญญาตาอาศัยอนัตตาอาศัยอารยวิญญาณอาศัยวิญญาณวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แต่ต้องอาศัยในขณะที่เราต้องรู้ความเป็นจริงว่าตอนนี้เรายังเกิดตอนนี้ยังเป็น ตอนนี้เรายังไม่ได้ดับเรายังไม่ได้ตายเรายังไม่ได้ศูนย์นะเรายังมีสถานะของความเป็นอยู่เป็นอยู่บีอิ่งนะนะเรากาลังเป็นอยู่นะไม่ใช่ว่าเราศูนย์เราเลิกเราตายไม่ใช่เราเรามีลักษณ ะ, ษณะเป็นอยู่เพราะฉะ้ัเราต้องรู้ว่าความเป็นอยู่นั้นยังต้องมีมีอะไรโดยสมมติมันก็ต้องมีชั่วมีดีเราก็ยืนในฝั่งดีก็แล้วกัน อาศัยฝังดีแต่แม้ดีก็อย่ายึดเป็นเราสูงก็ดีอีกโดยซ้ำไปดีชั่วก็ยะเป็นสมมติสัจจะประมัตถึงมีนิพพานไม่ยึดชั่วไม่ยึดไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราแต่เราจะต้องมีดีทำดีสร้างดีอาศัยส่วนดีอย่าเข้าใจผิดเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งอะไรก็ทิ้งหมดเลยดีชั่วชั่วดีอับรีทั้งนั้น ไม่มีฐานยืนไม่มีฐานอาศัยไม่ได้นิพพานนั้นคือดับดับกิเลสหมดก็เป็นพระอาหารหันต์และพระอาหารหันต์นี่มีไหมมียังมีร่างมีกายยังมีคันหน้ายังมีกรรมการงานยังมีวิบากยังมีสิ่งที่จะต้องกระทำต้องอาศัยพระเจ้าเก็อาศัยสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีพยายามเดี๋ยวเลิอกอย่ามามีอย่า ม, มามเป็นเลยไม่ต้องมาเกี่ยวมาคล้องเรา ล้างได้หมดเท่าไรก็สุดยอดเท่านั้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแค่อรหันนี่ยังไม่เข้าใจดีเท่าไรต้องปฏิสัตว์เลยก็จะเข้าใจเดียวอ๋อเราต้องอาศัยอรหัตต ภ, ภูมิเราต้องสายสุญญาตาเราต้องสายอนัตตาเราต้องสายสิ่งที่วางได้ว่างได้อาศัยพวกนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องอาศัยดีอีกด้วยว่างก็สูงก็ดีแต่เราต้องอาศัยทั้งดีด้วยนะไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ว่าง ว่างจยกระทั่งเลยเถิดไปว่างเฉยว่างไม่มีอะไรอยู่คนเดียวเงียบเก็บเปียวเงียบเงียบไอ้ยังงั้นมันมันไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรมันไม่เกิดผลอะไรมันไม่เกิดงานอะไรมันไม่เกิดคุณค่าอะไรมันยิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินมันยิ่งกว่าอะไรก็ไม่รู้คือมันเปล่าได้ใชภาษาไทยชัดๆตัวเดียชัดมันเปล่าได้ ว่าอยู่ทำไมมันมีอยู่ทำไมเปล่าได้มันไม่เกิดอะไรเลยมันไม่เขาทานะเพราะฉะนั้นคนมีสมรรถนะมีความสามารถมีความรู้เป็นผู้นำได้ได้เป็นความรู้เป็นผู้นำได้เป็นตัวอย่างได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตัวอย่างอย่างไรสมรรถนะทำงานที่นี่อาตมากต้องขอบคุณมากเลย ไม่ได้บอกได้สอนไม่ได้วางแผนวางผังอะไรไปก่อนเลยเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปเองมาถึงก็ดีแต่ในที่นี้แม่แต่มาในงานนี้เรามานี่ยเราก็บอกกันแล้วว่าจะมาปักกรดดีไหมบอกเ อ, bon. อ๊ยยังไม่เหมาะหรอกเอาแต่แค่นี้มาแล้วก็ไม่ต้องอะไรอาตมาไม่ได้บอกว่าเอามานั่งเป็นปึกอยู่อย่างนี้นะนิ่งอยู่นิ่งนอยู่สุภาพสุภาพเด็กปึกอย่างเงี้ย olu, ไม่ต้องมีอะไรมากอาตมาก็ไม่ได้บอกนะแต่ท่านทําเองมีคนบอกว่าเอ๊เราออกไปนั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไป สาธยายทำเดี๋ยวใครมาก็นายหาลูกค้าบรรยายนทำหมอใช่ไหมอาตมาก็ว่าดูก่อนดูก่อนเพราะถ้าทีมันไม่ค่อยทักทีตรงเวลาชุรมอนชูร์เกลล้ว่าโอกาสไม่เหมาะสภาพทําตอนนั้นไม่เหมาะก็บอกว่าเอออย่พึ่งพอมาที่นี่แล้วดูเข้าฝักเข้าที่เข้าทางนี้แล้วก็เออเอาเอาไปบ้างแต่หาลูกค้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีแต่ลูกค้าเก่าๆบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรในที่นี้มันอะโคจรอย่างยิ่ง พวากันจริงๆตามประษาของเทวสมาคมบอกนี่ที่โคจรในโพธิรักมานี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่พุทธก็ถูกของเขาตามความเข้าใจของเขาแต่เราว่ามันเป็นที่หน้าโคจรด้วยเหตุการณ์ด้วยกรรมเหมาะควรแล้วก็ถึงมาทำเพราะการจัดสรรที่จะเหมาะควรมันที่จะลงตัวเรามาทําแล้วเป็นไงล่ะถูกว่าไม่ถูกตําหนิไม่ถูกดา่าถูกจริงไหมเออก็ไม่นี่สมณะก็มานั่งกันทุกวันน่ะมานั่งกันไปปึกอย่างเงี้ย ก็ไม่เทเด็ดเพ่นผ่านไม่เทเด็ดเป็นแสดงอะไรที่เล่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่ออ่จะ่่ะ่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่เป็น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่าวถึงเวลา สิ่งนี้เป็นเส้นแสงเงาสีของศิลปะงานนี้ทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณพวกเราอย่างมากเลยแม้แต่สมาะที่ได้มรรคธรรมลงไปนี่มีส่วนมีฤทธิ์มีผลที่ทำให้เกิดความสงบร่มรืม่นให้เกิดความยอมรับถึงเรื่องธรรมะสังเกตได้ว่า ง, งานนิรมาตอนแรกเทระสมาคมจะเอาแล้วเนี่ยจะเป็นโัรแล้วข่าวมา จะมาประวัจันจะมานุนนี่มหาโชใครแต่ใครออกมาจะอนั้นเสร็จแล้วตีไม่ขึ้นคุณภาพเนื้อหาของทำมาของเรามันเข้าออท่ากว่ามาถึงวันนี้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเสร็จงานนี้จะชําระอะไรเขาก็ว่าไปตามประสาเขานะฝากไว้ก่อนเสร็จงานนี้คือเขารู้คือจริงๆริงเขาก็ฉลาดพอสมควรเขาก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขาออกมาเขาจะหน้าแตกหรือเปล่าเขาก็รู้เหมือนกันนะ สุดท้ายไม่มีอะไรก็ไปสวดมนต์ที่สนามหลวงนี่อาตมาว่ามันไม่ใช่ผิดนะอาตมาเห็นเห็นได้เห็นด้วยเป็นนั่งทํานโดยว่าเอานีสวดมนต์ให้ห0ชันพระชันสามาชั้นหชันสา60สปีที่ได้ครองราชสาม0 0องคองเต็มสนามหลวงสวยงามดีอาตมาว่าก็ดีแล้วละ่ะถูกกาละเทศะก็ทำได้ดีก็แสดงออกบ้าง เทสมาคมจะมีอะไรเลยให้แ I ต mean, <aren 't. S 2> ่อโศกทำแสดงอยู่ตอนนี้มีบทบาทตอนนี้ไม่เลยเนอะต้องมีอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันอะอัจฉริมองมองเห็นชัดเจนเออก็ดีงามมีประโยชน์ทางทรรแสดงออกก็ดีนอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเข้าใจว่าความควรหรือไม่ควรความถูกต้องนั้นไม่ถูกต้องให้ดีๆอย่าไปนั่งเพ่งโทษไอ้นั่นไปว่านี่ไปอะไรนี่อะไรอะไรมันไม่ไม่ไม่เข้าตาอะไรหรอกนะ มองสิ่งที่ดีก็ดีไปสิ่งที่ไม่ดีเออเราละเว้นก็ละเว้นไม่ละเว้นเราอยากจะตําหนิได้ก็ตําหนิอาตมาก็ช่างตําหนิหน้านักตําหนิคนนึงนะจนที่เขาหาว่าปากจัดที่แท้ก็อาตมาก็ว่าไม่ใช่อาตมาแค่ปากชัดเขาหาว่าปากจัดอะไรเอาแล้วก็ขยายความอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็อยากจะบอกพวกเราให้ชัดเจนว่าทําไมที่เราอยู่ที่นี่ทําไมว่าเราไม่ไปที่พารากอน อันนี้ก็คุยกันแล้วมันมีความคิดหลายในว่าเราจะยุบกลุ่มประทวงนี่หรือไม่ก็คำตอบแรกก็คือว่าเรายังยุบไม่ได้หรอกยังไม่ถึงที่สุดเราจะต้องทำต่อเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องทำต่อยังไม่ถึงที่สุดเรายุบไม่ได้ถ้าเราไปทิ้นที่พรากรก็ไปที่นู่นเลยใช่ไหมสมรภูมิที่นู่นอยู่ไม่ได้ สมรภูมิเงนยุดหัวหาดไม่ได้จะทำอะไรเป็นแกนเป็นจุดก็อวอดอยู่ไม่ได้ก็มีคนเห็นว่าก็ยุบไปก่อนพักไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็มาอีกทีสิแล้วก็นัดกันใหม่มาอีกทีสิพิจารณาแลวอาตมาก็พิจารณาถึงจิตวิญญาณด้วยรู ป, ปธรรมด้วยก็ก็เห็นว่าเสี่ยงนะเรียกมาอีกทีนี้มันจะ มันเป็นนอนฟูกซะ แ, แล้วเนี่ยมันจะลุกมาไหมเนี่ยห้าวันเ็ดวันสิบวันนี่จะบอกว่ามาอีกทีหนึ่งจะมาไหมเนี่ยมันเมื่อยมาก็ไม่เต็มครบหรอกอมาก็ไม่เต็มครบหรอกคือเราจะทิ้งช่วงตรงนี้นี่ควรหรือไม่วไมนนควรก็พิจารณากันหลายเราอาตมาก็คิดตามขอ้อเหตุผลปัปจจัยอะไรต่างๆด้วยเหมือนกัน จนกระทั่งวิจัยพอสมควรแล้วเหตุผลตั น, นน์นี่ก็ดีพวกเราช่วยกันคิดก็ขอบคุณทุกคนช่วยกันคิดวิจัยวิจารณ์เราจะได้เห็นแง่มุมทุกด้านทุกเหลี่ยมมันมีจุดดีจุดไม่ดีอะไรจุดดีจุดด้อยก็เข้าใจครบครันก็ใช้ปัญญาอัตมาแหละดูตัดสินว่าเออเมื่อจริงๆ จ, จังๆล้วเป็นยังไงก็เห็นว่าอา้าวยุดพื้นที่นีไว้ก่อนเพราะเราเป็นหลัก เราเป็นหลักนี่ก็พูดมากไปดีนะเมื่อกเราจะมาแต่ทาเป็นเก่งเป็นใหญ่เป็นอะไรมันไม่ดูไม่ดีมันน่าเกลียดก็เห็นว่าอันนี้ต้องอาศัยหลักหรืออาศัยเราดูบ้างจะไปอาศัยมวลที่เขาไปให้เคลื่อนที่จรยุติอะไรต่างๆนาะนาะนะไม่ได้เพราะฉะนั้นกันไว้เพื่อเลือเพืกคาถ้าจบก่อนสาเร็จผล ก, ก่อนก็ดีไป ไม่สำเร็จผลก็ต้องต่อเพราะฉะนั้นต่อก็ต้องต่อให้ดีไม่ใช่ต่อให้ขาดขาดวินวินต่อมาแล้วมันไม่ขึ้นนะไอ้ผู้ที่อยู่รู้จักยุทธศาสตร์ในการรบเนี่ยโดยเฉพาะผู้เรียนทหารมานี่ยัยงคุณจำลองเขารู้ดีไม่ได้นะแต่ผิดท่าตรงนี้ไปนี่นะมันโอ้โหเขามายึดหรือเขามาทำอีกทีไม่ได้เลยนะไอ้พวกนี้นี่มันมันซับซ้อนมันยาก อธรรมก็เข้าใจยุทธศาสตร์อันนี้เหมือนกันพอสมควรแม่ไม่ได้เรียนทหารก็เถอะพอเข้าใจก็เลยดูเหตุปัจจัยแล้วก็ว่าเอ้าถึงอย่างไรเรามาถ้าเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปเราจะเสียประโยชน์อะไรบ้างก็คิดไปต่อวันที่สองเราจะมีงานปลุกเสกสองถึงแงานปลุกเสกเราเป็นงานประจําปีงานจารีตประเพณีของเราทีเดียว แม่เามาคิดว่าเรางานปลุกเสกงานนี้หนึ่งงานไหนมันจะต้องต้องเลือกแล้วจะเอางานไหนอ่าต้องเลือกอัตมาก็พิจารณาแล้วเสร็จแล้วเอ๊หนึ่งเลือกสองประนีปรนอมปรินประนรอมคืออะไรปรินีปรนอมคือเอาปลุกเสกมาจัดที่นี่เลยมันก็อย่างรับงานรับกดเนี่ยไอ้รับกฎมแล้วไม่กไกลมันไม่เท่าไรมันก็ตัดอันนั้นตัดอันนี้เหลืออันนี้อันหลักๆสำคัญมันก็จบ ไ, ได้ แต่ปลูกเสกจะได้ไหมโอ้โหน่าดนะูไม่ได้นะแต่แค่ตื่นมาทําวัดเช้านี่ยมันก็จะเจงแล้วงานปลูกเสกแล้วก็มีเช็มแมรูทีนของเราเป็นไงบ้างฮะหนึ่งตื่นเช้าแต่ตีห้าเอ้ยไปตีสามครึ่งทำวัดเช้ามันไหวไหมเนี่ยมันก็คงเจงแล้วตีสามครึ่งมัน ต, ตื่นมาทําวัดเช้าก็ไม่ได้อ้าววัดเช้าทำวัดเชาไม่ได้ได้แ ต, แต่ก่อนชั้น แล้วก่อนชั้นนี่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเอา้าตกลงนี่ก็ยังไม่แน่ว่าเวทีที่พรารกอนนั่นอ่ะจะต้องโยกมาตรงนี้อีกอย่างที่ใครฟังเมื่อกี้เนี่ยสุริยไส้ก็พูดแล้วกับมวลชนว่าถ้าเผื่อว่ามายัางไงเอา้วมันไม่เป็นเดนมันไม่เข้าท่าเข้าทีอย่างไรเราจะต้องโยกย้ายเวทีจากพรารกอนมาปักหลักที่คารวานย่างเก่าเราก็ต้องม า, าสุริยไส้ว่า ง, งั้นอัฐเวที นั่นก็มาอยู่ที่คารวามัควานี่อย่างเก่าอ่ะก่อนฉันเสียงมันก็ต้องออกอย่อยางเงี้ยแล้วเราจะไปทํำยังไงได้อะแล้วงานเราก็ต้องทําประสานกับเขาอีกด้วยเราจะมาทํำอาแต่๋เร า, าตอนนี้ขอปลูกเสกคุณทําไปเถอะแล้วก็ขอปลูกเสกตรงนี้แล้วก็ไม่รับผิดชอบอาห อ, อาหารการกินอย่างนู้นอย่างนี้ที่เคยแจกอาหารและคนพวกที่มานี่มันมากกว่าเราอีกแล้วจะทํำยังไง อ, อ้าล้วอาตมาว่าไม่ต้องภาษาไทยยาเลยและวอย่ที่อาตมาพูดนี่คือรายละเอียดต่างๆที่อาตมาคิดอาตมาเอามาประเมินประมวลดูว่าเออมันจะยังไงดูแล้วเนี่ยมันแล้วยิ่งรายการเย็นจะตึงขึ้นเวทีตัวอย่างมันจะไปแข่งกับเขาได้หรือกับรายการเย็นน่ะโอ้ยิงหมดท่าเลยต้องดับไปเลยอาตมาก็าว่าโอ้มันกระโกกระเพลกเดี่ยงขาหักขาเกงเงี้ก็เลยคิดว่าไม่ได้จะมาประติประนามว่าจัด ปลูกเสกกันที่นี่เลยก็ไม่ได้ปลูกได้ก็ไม่เขาทาจะขายขีน้หน้ายังไม่เขาทามันจะทำให้คุณภาพของปลูกเสกเสียไปซะอีกเนี่ยไม่ได้อ่ะนะก็เลยต้องเลื่อนไปไม่มีกำหนดปลูกเสกก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดปลูกเสกเลื่อนไปดนงานนี้ก็ต้องอาศัยพวกเราจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่ก่อนนะ นี่เป็นการวินิจฉัยต่างๆที่อาตมาใช้ปัญญาร่วมคิดร่วมอะไรแต่ใดไปอาตมาอาจจะคิดได้เร็วหรือคิดได้มากเลยรวมอะไรแต่ใดมันก็เป็นก็เป็นไม่รู้แล้วก็อาตมาท ำ, ทำเป็นทำได้อะได้มาอะไรอะไรต่างๆนั้นามันก็เป็นไปตามธรรมของตัวเรามีบุญมีบารมีทําได้ก็ะทุ่ได้ไปก็เลยเห็นว่าอ้าวตกลงก็เราก็จะต้องเป็นหลักอยู่ที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจเลยนะว่าพวกเรา ก็ต้องเป็นหลักอยู่ที่นี่แต่ที่นี่ก็มี ม, มีอีกอ่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าวันที่สองนี่เป็นวันเลือกตั้งจะไปเลือกตั้งไหมก็ต้องพูดให้ละเอียดกันขึ้นไปด้วยกันเพราะมันจะต้องโยกย้ายมันจะต้องเดินทางมันจะต้องอะไรต่ออะไรต่างจังหวัดด้วยในกรุงเทพด้วยมันก็ซับซ้อนหลยาย่าหลายอย่างเราควรไปเลือกตั้งไหมอันหนึ่งก่อนจริงๆก็ควรเพราะมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่น่าจะไปทําให้ผิด กฎหลักของสังคมไปเลือกตั้งแต่ถ้าจะให้พวกชาวต่างจังหวัดนี่เดินทางกลับไปเลือกตั้งมันจะโกลาหลกันไหมทางนี้ก็จะขาดพร่องไหมวันเดียววันเลือกตั้งคือวันที่สองวันเดียวถ้าไปบางคนก็ต้องเดินทางวันเดียวก็ต้องเดินทางหลายวันถ้าต่างจังหวัดบางคนใช่ั้ยอยู่ที่นี่ กลุงเทพเองเดินทางไปล ง, ลงคะแนนได้ไหมได้เออตกลงก็ได้ข้อคิดได้ข้อสรุปว่าคนกรุงเทพมีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนนเสียงได้ที่กรุงเทพก็ไปกันแล้วกันส่วนคนต่างจังหวัดอยากไปเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเลือกส so วก็ไปเลือกกันที่สวในะเดี๋ยวก็สิทธทิทุกอย่างคืนมาหมดแล้วเรื่องสวมันไม่เสียสิทธิ์อะไรต่อมันไม่ต่อมันต่อ ต่ออายุได้เป้เรื่องเป็นเรื่องตั้งเนี่ยนะสิทธิในอะไรต่างๆที่เขาปรับว่าถ้าไม่เป็นเรื่องตั้งแล้วสิทธิในการที่จะมาสมัครสอสอสอวมาเป็นรั ฐ, ฐมนตรีไม่ได้มาอะไร อ, อะไรไม่ได้วกเว้นวักทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เป็นข้องเงื่อนไขของทางกฎหมายเขาอะแต่ถ้าเผื่อว่าเลือกตั้งนี่ไม่มีทางไปเลือกได้ทุกครั้งเลือกเมื่อไหร่ก็ต่อเลยต่อสิทธิสิทธิที่หมดไปคืนมาหมดเพราะฉะนั้นเร เอาเธอคขาวนี้เสียยอมเสียสิทธิ์อีกไม่นานแล้วนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดใช่มัมยี่สิบแปดเมษาใช่ไหมยี่สิเก้าเมษาเลือกตั้งสวก็ไปต่อไปต่อสินตรงนั้นกันแล้วกันศินขาดเหมือนสินขาดแล้วก็ไปต่อสินวันที่29เก้าเสื้อสวอก็แล้วกันสิทธิที่ทุกอย่างก็คืนมาหมดแล้วนะหรือ่เาอ่เออเาเมษา ก็ไปต่อมันอีกไม่นานเท่าไหร่ไปต่อซีเอาตรงวันที่19บก้นแล้วกันเพราะเงาต่างจังหวัดก็อย่าไปเลยแรงงานก็ขาดคนพวกเราก็อย่างนี้แหละก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคนต่างจังหวัดไม่ไปคนในกรุงเทพก็เดินทางไปกันแล้วกันใครหนังนา้าสาหาัสนักไม่อยากจะไปก็ไม่ต้องไปเพราะเป็นลงคราวนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไปลงคะแนนอะไรนะจะไปเลือกประชากรไทยหรือว่าจะไปเลือกไทยรักไทย มันก็คขาข้าใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกมันก็ดีไปกาไอ้มุมที่เรียกว่าไม่เลือกใครเนี่ยมันก็เป็นน้าหนักอันนึงเหมือนกันเพราะงั้นรายละเอียดพวกนี้มันเยอะมาเพราะนั้นเราจะไปเลือกก็ดีเหมือนกันไปเลือกอตรงที่ไปกาว่าไม่เลือกใครนี่ก็ได้นะแต่ส่วนใครจะเลือกเจ้านั้นเจ้านี้ก็สิทธิอัตมาก็ไม่ได้ไปบอกนะว่าให้ไปเลือกใครเนะพราะวันเป็นสิทธิส่วนตัวนะเป็นสิทธิเสรีภาพของเราก็ไปทําสรุปแรกว่าคืออัตมามีความเห็นกันในหมู่ออกมาว่า อา้าวตกลงก็ต้องสละสิทธิ์ก็แล้วกันตอนนี้ต่างจังหวัดนะก็เลือกแต่ในนี้ก็แล้วกันในกรุงเทพหรือแม้แต่คนในกรุงเทพคนไหนลำบากลำบนนะก็ไม่ต้องไปก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนี่เรื่องของเลือกตั้งเราจะเลือกตั้งอย่างไรออันทีนี้ก็มีแนวลึกที่ที่อาตมาก็พูดไปแล้วแนวลึกที่ว่าเนี่ยพูดผ่านๆไปหน่อยแล้วเมื่อกี้นี้ว่า คือเรามาทำงานที่นี่เนี่ยเราได้อะไรหนึ่งเราได้ฝึกแน่นอนเราได้ฝึกสองเราได้ช่วยสังคมแน่นอนเราได้ช่วยสังคมแน่นอนสามเราเองเขาว่าเรานะแต่ว่าถูกด้วยว่าเราได้เผยแผ่ลัทธิ เขาว่าเราเราไม่ได้เจตนามาเผยแผ่รัตทิไม่ได้เจตนามาเผยแผ่แล้วก็ไม่ได้อยากมาเผยแผ่รัตทิแต่เราทําไปตอนนี้ให้อัตมาไปเทศมโหทายท่อโทรทัดออกไปอัตมาก็ไม่ได้เคยดิ้นรนว่าอยากจะมาเทศโทรทัศดเท่าไหร่นะเอาให้อัตมาไปเทศกับเทศวันไหนบอกไม่เทศอัตมาก็อยู่ที่นี่แหละเทศที่นี่ก็เทศไม่ให้ไปเทศที่นวลก็เทศที่นี่อะไรนี้หรือไม่เทศที่นี่บางวันไม่เทศก็แล้วไปแต่ดูเหมือนจะไม่มีทํำไมเทศที่นวลก็เทศที่นี่อะไรก็แล้วแต่ คือเราจะต้องสื่อในสิ่งที่ควรสืมันเป็นงานมนุษย์ก็ต้องทำงานและงานนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจะบอกว่าเราเผยแพร่ถ้าเราเผยแพร่สิ่งที่ดีไปให้แก่สังคมเนี่ยมันจะผิดตรงไหนน่อาตมาอยากจะรู้คนควรได้รับเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้ไปซื้อเวลาเราก็ไม่ได้ขนขวายจกนกระทั่งโอ้โหดิ้นรนไมมมันเป็นไปตามสัจธรรม เพราะงัเรามาร่วมงานนี้เราไม่ได้คิดงานนี้ว่าเราจะมาเผยแพร่ลัทธิเราไม่ได้มีเจตนาจะมาเผยแพร่ลัทธิแต่มันผสมประสานมันเป็นเรื่องที่ตามไปกับมันมันเลี่ยงไม่ออกมันจะมันเป็นสิ่งที่เกิดสหคตะมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันไปด้วยกันสหคตะมันเป็นสหคตังมันเป็นสิ่งที่ เกิดดาเนินไปร่วมกันไปกับสิ่งนี้มันร่วมกันไปเพราะองค์ก็จะมาตู่เราว่าได้เผยแพร่ะละทัทธิก็ไม่ปฏิเสธก็ได้แต่เราไม่ได้อยากเผยแพร่หรอกแต่มันได้เองอะและสิ่งที่มันเกิดนี่นะ่ะเราบอกว่าลัทธินี้เป็นลัทธิเลวหรือลัทธิดีล่ะเออ เรามาทำสิ่งนี้นี่อาตมาว่ากระแสสังคมนี่มีเหมือนกันที่เข้าใจผิดว่าเราไม่ใช่ธรรมะเราไม่ใช่อะไรตะไรเขก็<ๆ>เข้าใจว่าเราไม่ควรเผยแพร่ก็ใช่แต่ในคนที่เป็นกลางในคนที่ดูอยู่อย่างที่ไม่ได้ไปเอีลำเอียงอะไรหรือคนที่มีปัญญาบอกเอออันนี้ดีนะดีนะควรจะได้มีอย่างนี้เยอะๆควรจะเผยแพร่ไปมากๆมันก็เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นจริ ง, รงๆแล้วมันสมควรเผยแพร่หรือไม่สมควรเผยแพร่ล่ะมันสมควรเผยแพร่ด้วยซ้าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งอวดนั่งอ้างอะไรก็เราเป็นตถตาก็เราเป็นเช่นนี้เองอ่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้ของเราอ่ะก็นั่นแหละก็คนเห็นต่างชาตเห็นต่างประเทศเมื่อกี้ให้ข้อมูลมาว่า ที่ผู้หญิงที่มาใส่บาทวันนั้นน่ะที่บอกว่าฉันมาตั้งแต่น่นมาจากเท็กซัสอเมริกาน่้นมามาจากมาจากแคลิฟอร์เนียมาจากไอรัสไอมาจากรอเจลิสกเยอะนะก็ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องที่เกิดไปตามธรรมนะทีนี้ลึกเข้าไปอีกว่าเรามาชุมนุมเนี่ยได้ประโยชน์อะไรแค่ไหน เสร็จแล้วเราเสียประโยชน์ของชุมชนไหมสันติอโศกเสียอะไรไหมศิสาอโศกเสียอะไรไหมปทุมอาศกเสียอะไรไหมราชาธานีอโศกเสียอะไรไหมมันมันมันมันลดเหมือนกันน้ําผักไม่ได้รดงานพวกออมองค้าผงก็ไม่ได้เปิดงาน าทางด้านสัน ต, ติอสศกบางจุดชมรมรอก็ไม่ได้เปิดขายกลับมาช่วยทำอาหารแจกที่นี่ก็ไม่ได้รายได้ขึ้นบ้างเสียรายได้ร้านค้าร้านขายเห็นบอกว่าวันสพคัญวันสำคัญพลังบุญก็ปิดร้านมาปิดบริษัทมาอะไรเงี้ยฟาอภัยก็ผู้จัดการก็มากินมานอนอยู่นี่ะไม่รู้จะ ไ, ไมไ่กลับไป บริษัทเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีรองผู้จัดการทํางานบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ประเมินดูว่าทางชุมชนหรือทางงานทางกิจทางอะไรของเราเนี่ยสูญเสียการสูญเสียเหล่านั้นเราถึงขั้นว่าเราจะต้องเสียหายหรือถึงขั้นที่เราจะไปไม่รอดจะต้องตายแล้วต้องปิดบริษัทต้องปิดชุมชนชุมชน โอ้โมันพังแล้วมันสูญเสียล้มละลายมันก็ไม่ถึงใช่ไหมมันก็พอเป็นไปนมันก็บนดำเนินไปได้มันเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งนะอันนั้นนะ่ะเป็นการเสียสละอย่างหนึง่งเพื่อที่จะมาช่วยอันนี้และช่วยอันนี้ให้เกิดกับเสียสละอันนั้นคุ้มกันไหมนี่ก็ต้องใช้การพิจารณาวินิจฉัยต่างๆนาน า, น า, นาจริงๆเหมือนกันอัตมาก็คิดแล้วว่าเออเอาเถอะ ชุมชนก็เสียสละมามันก็อาจจะขาดพร่องในสิ่งบางสิ่งบางอย่างบ้างแต่ไม่ถึงขั้นโอ้นี่ขาดเลือดขาดวิตามินขาดอาหารเดี๋ยวอีก14วันนี่หมดแล้วนะเงินคงคลังไปไม่รอดแล้วนะตายนะไม่มีอะไรเติมแถมมาเลยนะเนี่ยถึงขั้นนั้นไหมสรุปแล้วแตมาว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ผลได้อันนี้เนี่ย มันเป็นกาละสําคัญนานๆเกิดทีอย่างเนี้ยแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหม่เป็นครั้งแรกเป็นแม่น้ําสายใหม่ที่กําลังเกิดแยกขึ้นมาให้คนเห็นไอแม่น้ําสายเก่าหรือนิยายน้ําเน่าเก่าๆนั้นเลิกได้แล้วควรจะสร้างนิยายใหม่ให้คนดูบ้างเรื่องเก่าๆเพราะต์เก่าๆระบบเก่าๆวิธีเก่ า, ๆ, กาๆนะมัน พอทีเถอะมันบดความสูญเสียในเรื่องเก่าๆนะั้ไม่เยอะอยู่เหมือนกันอ้นี้ใหม่นี่ดีนะดีกว่านะดีอย่างไรดีเพราะว่าเป็นการชุมนุมประท้วงชนิดที่เรียกว่าโอ้โหมันเป็นการชุมนุมประท้วงในลักษณะ้มีคนแนะนำว่าให้ใช้คำว่า compassionate compassionate compassion เนี่ยเป็นลักษณะนี้ อาตมาไปใช้ว่าลักษณะเก่านั้นไปใช้ภาษาอังกฤษว่ามันเป็นซาดิสม์ล้วก็เลยมาทำอย่างโรแมนติกซึ่ฟังแล้วมันก็ยังเอ๊ะมันไม่ดูดีฟังไปแล้วเด้ยวยก็จะเข้าใจเป็นในสางกามมากเกินไปออกเชิองอีโรติกมากๆมันก็ชักก็ไม่เข้ทต า, าก็เลยมีคนคิดว่าอใช้ภาษานี้ดีกว่านะคอมเพชันคอมเพชเนตคอมเพชเนทรีหรือคอม p พช s เนตเนี่ย มันเป็นลักษณะที่ดูเรื่องของคุณธรรมทางใจมีความเกื้อกูลเมตตาสงสารเจืออาจารย์ไม่มีการร้ายมันมีศักษณะมีแต่การต้องการความสุภาพต้องการความเกื้อกูลต้องการความเมตตาต้องการความช่วยเหลืออยู่ในการละกันเป็นลักษณะนี้นี่เป็นแม่น้ำสายใหม่ใช่ไหม เพราะงั้นในลักษณะนี้มันจึงต้องช่วยกันให้เกิดเถอะไ อ, อย้ยางเก่าน่พอได้แล้วเลิกได้แล้วเพราะต่างประเทศทั้งหลายแลจงชมและเราจงทําให้เขาได้รับครูให้เขาได้เห็นแบบเป็นตัวอย่างอันงดงามของการต่อสู้ทางประชาธิปไตยหรือในวิธีการของการเมืองนะ เราจะศาสตร์ต้องบันทึกลงไปเป็นจุดสําคัญเลยเพราะอาตมาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเล็กๆแล้ว เ, เราก็พลัดพัดผุผูก็มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเราไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกอเราก็เหมือนน้าเยนเ็นเม็ดเล็กๆหยดเล็กๆร่วมกับทุกๆส่วนของเขามากมายยิ่งมารวมกันโอ้โหยิ่งเลอะเยอะๆใหญ่ๆเห็นไหม หน่วยต่างๆกลุ่มต่างๆผู้รู้ต่างๆผู้ที่มีฐานะทางสังคมยิ่งใหญ่ ก, ก็เราเ ย, ยอะแยะไเรามันอีแรงตัวน้อยๆมันไม่หรอกฝูงฝูงแรงน้อยๆเท่านั้นเองมันไม่ได้ใหญ่ยิ่งอะไรแต่เราก็มาช่วยเขาด้วยน้ําใจด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นดีเห็นด้วยจะถูกเขาด่าว่าจะถูกเขาตำหนิติเตียนบ้างอะไรก็ทําความเข้าใจดีๆว่า เออเขาติเตียนแล้วมันผิดหรือถูกอัตมาว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเราไม่ได้มาทําเพื่อที่จะฉวยโอกาสเอาอันนั้นเอาวันนี้ตอนแรกเห็นไหมมีคนตั้งข้อว่าพวกกองทัพทําเนี่ยมันจะมาชุบมือเปิดหรือเปล่ามนแน่เอางั้นด้วยนะตอนแรกเห็นไหยเขาเปลยมาแต่ใครติดตามข่าวมาตลอดจะรู้ร่างบอกเออเราสะดุดเหมือนกันนะว่าเรามาชุบมือเปิดหรือเปล่า เปล่าหนะ้าเราว่าเราตั้งใจจะมาเสียสละจะมาช่วยนะเรามีอะไรที่มีได้ช่วยได้มาเป็นมวลช่วยมาเป็นคนเก็บขย ะ, ะจกนกระทั่งถึงวันนี้นะเราก็มาช่วยอะไรได้ก็เอาละพูดไปนะเหมือนกับเราจะมาเรื่องรื้อฟื้นอนะันนั้นนนี้เหมือนกับมาอวดดีอะไรมไม่เข้าตาอะไรหรอกเราจะมีอะไรช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปอย่างนี้แหละมันก็เป็นการเสริมสารสังคมสร้างสังคม เราถือว่าอันนี้เราไปช่วยสังคมสารสังคมช่วยให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมส่วนหนึ่งที่อาตมามองลึกๆก็อาตมาว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของยุคสมัยและมันก็นเป็นเรื่องสำคัญของรัฐศาสตร์อันหนึง่งแท้ๆเลยเป็นรัฐศาสตร์ที่สาคัญมากกันหนึง่งเราไม่ใช่นักรัฐศาสตร์แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะทำเป็นคนตาบอดตาหูหนวก ลับไม่รู้คู่ไม่เห็นมันก็ไม่ได้ถ้าสังคมนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะช่วยเพื่อจะเติมแทมให้มันได้ดีขึ้นให้มันสําเร็จรุล่วงไปได้ดีดีมันก็น่าจะทําแม้ว่าเราจะต้องลงทุนลงแรงบ้างแม้ที่สุดเขาจะต้องมาด่ามาทอ อ, าอีกด้วยเราก็เราไปทฤษซื้อสักทฤษซีอะไรกันนะกันนาเราก็คนเท่าอีแรงเขาด่าได้เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนด่าดานนา ทนก็ดา่าก็ไม่รู้สึกรู้ษาอะไรก็ไม่ใช่หรอกเราก็เรียนรู้เรื่องนี้อย่างยิ่งอยู่แล้วแลว้วก็เราอย่าทำนะอย่างที่น่าดานๆอย่างที่ไม่ควรจะทำเนี่ยรู้เห็นหได้เลยว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่ควรน่าดานน่าทนขนาดนั้นรเราก็เรียนไปสิ่งที่ควรเราก็ทำสิ่งที่ควรไปนี่เป็นความซับซ้อนในการศึกษาที่มีสิ่งลึกซึ้งมีสิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งนะ เรางั้นก็ขอให้พวกเรานี่หนึ่งทำใจอย่างไรมันจะอดทนไหวหรือไม่จะอดทนไหวก็เพราะว่าเราเห็นในคุณค่าคนจะไปเที่เด้เขาบอกว่าบ่อเพชรมันอยู่ตรงนี้แหละพอไปถึงโอ้โหทำไมมันยากนะั้นปีนกันหนักนะสัหัสสูงด้วยร้อนด้วยครุขลาด้วยลาบากด้วยแต่เพชรมันอยู่ตรงโ้นนะ จะเอาไม่เอาอ่ะตอนต่คนเขารู้ว่าเพชรจริงๆนะเพชรดีๆ ด, ด, ด้วยเพชรจาน้ำเย่้มเลยด้วยน่าเอาไหมน่าเอาคนคนนั้นก็จะมีความอดทนเพิ่มขึ้นมีวิริยะอุตสาหะบากบันเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อเรารู้เป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไรสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีใช่ไหม พระจะทําใจอย่างไรถึงจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เพลียมันไม่ล้าก็เหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหเห็นหลัดหอยู่เนี่ยน้ำเพชรน่ำเม็ดวาววเนี่ยนะ เ, เอาให้ได้ไหมมันจะย า, ะากลำบากคนเรามันก็จะหายเหนื่อยหรือว่ามันจะอดทนมันจะบากบั่นมากขึ้นเป็นสัจธรรมเพราะเราต้องมองดูคุณค่าว่าที่เราทํานี่มันไร้คุณค่าหรือมันมีคุณค่าอาตมาว่านี่เป็นคุณค่าที่สําคัญของมนุษย์ชาติ เกี่ยวด้วยธรรมะไหมย้อนมาถามพวกเราอีกเกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยธรรมะไหมเกี่ยวอย่างยิ่งเพราะการต่อสู้อันนี้ที่ถือธงนําก็คือนายยกไรศีลธรรมไรจริยธรรมไม่สมควรไม่ชอบธรรมที่จะบริหารต่อไปไม่ใช่ไม่เกง่งนายยกนี่เกง่งแต่พูดอย่างภาษาไทยง่ายๆแต่ไม่ดี เก่งแต่ไม่ดีใช่ไหมภาษาง่ายๆสั้นๆนเพราะฉะนั้นคําว่าดีนี่หมายถึงคุณธรรมเป็นกุศลคําว่าดีนี่คือกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลซะเยอะหรือทุจริตซะเยอะสุจริตน้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเกี่ยวกระทำอย่างยิ่งสําคัญไหมโอ้โหเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อสําคัญอย่างยิ่งเลย จะแพ้ชนะกันก็โหหือขึ้นคอเลยคู่ต่อสู้อนักมวยแมัดนี้เนี่ยเรียกว่าคู่ต่อสู้นี่รวดลายน่าดูทั้งคู่เลยทนอึดเพราะนั้นเราก็ต้องทนอึดด้วยการชกคราวนี้เนี่ยคนดูในสนามเนี่ย เห็นแล้วให้คะแนนแล้วกรรมการบนเวทีจะให้คะแนนอย่างไรไม่รู้นะกรรมการบนเวทีเนี่ยจะให้คะแนนอย่างไรไม่รู้แล้วก็แหมภาวนาให้กรรมการมีตาดีเหมือนคนดูในเซมสนามนี่ก็แล้วกันภาวนาให้ nan, ให้คนให้กรรมการอยู่บนเวทีเนี่ยโอ้เห็นกับคนดูในสนามเถอะคนดูในสนามขณะนี้นี่อื้อตั้งแต่ยังไม่ค่อยตั้งแต่โห o ตอนแรกดูก็โหตอนลังมาเงียบตอนลังมาปบมือให้ตอนลังมาออกไปออกไปช่วยด้วยเลยนเกิดปฏิกิริยาบทบาทเปลี่ยนแปลงไปงี้ก็มันแล้วขณะนี้เราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เดานะไม่ได้โมเมนะเห็นแล้วว่าคนดูในสนามเนี่ยเห็นแล้วว่าเราชนะแล้วฝ่ายที่เรามันมีคู่ต่อสู้อยู่สองฝ่ายใช่ ฝ่ายชนะแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตม า, าได้ประกาศชัยชนะไปแล้วหลายวันแล้วสองสวันแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาหรอกต่อให้กรรมการบนเวทีจับมืออีกฝ่ายหนึ่งชนะยกมืออีกฝ่ายนึงเลยนะเรากลายเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามโดยสายตาของกรรมการนะเหมือนเราแพ้คดีที่ไปถูกฟ้องศาลนั่นแหละนั่นะกรรมการยกมืออีกฝ่ายหนึ่งชนะเราแพ้ แต่เราก็พิสูจน์ตัวเราเองว่าเราชนะในสนามจริงเราไม่ใช่ให้กรรมการคนเดียวตัดสินเท่านั้นกรรมการตัดสินเอาแพ้ก็ได้อะไรงี้เป็นต้นนี่เป็นความซับซ้อนที่เราจะต้อ ง, องอมีคนอธิบายเสริมว่าต่อไปในอนาคตนี่มันเป็นบทเรียนของประเทศว่าคนจะเป็นนายกต่อไปนี่เรียนรู้นะ ต่อให้เก่งสุดเก่งเยนะต่อให้มีเงินมากมากด้วยนะต่อให้อะไรด้วยมากรถเลี้ยวมากอะไรอะไรมากสุดท้ายทั้งสี่เหลี่ยมสีด้านด้วยนะโอ้โหมันเข้าเข้ากันแล้วเกินนะมันทำไมมันถึงรูปธรรมก็นานมาทํมมันลงตัวกันเหลือเกินทุกทั้งอย่างทั้งนั้นเลยส่วนเหลี่ยมก็มีทั้งสี่ส่วนด้านก็มีทั้งสี่เต็มๆนะมันอะไร มันลงตัวอะไรกันขนาดนั้นอยาจะได้ต่อให้เก่งทั้งเหลี่ยมทั้งด้านยังมาเป็นนายกต่อไปมันเป็นบทเรียนชัดเจนแล้วสแควรูดด้วยเหรอยกกำลังด้วยเลยด้านยกกำลังสองออก็อธิบายเป็นภาษาไปางั้นแหละนะ เพราะงั้นมันเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่ตราบอกไว้ในสังคมมันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่มันไม่แคบมันกว้างมันละเอียดมันมีเยอะนะถ้าอธิบายไปแล้วนี่จะอะไรซับซับซาบไดดีว่ามันไม่ใช่น้อยเลยเพราะงั้นก็คราวนี้เนี่ยจึงจะว่าเอาเถอะเราต้องเสียงานเพื่อฟ้าดินเกิดดอกถูกงดรับกรดก็ต้องมารับกันตรงนี้ตัดเรื่องออกหมดมีแค่นี้ สุดท้ายแห่ปลุกเสกก็ต้องเลื่อนไปไม่มีกำหนดไม่รู้จะไปจัดกันหรือไม่ปีนี้อาจจะปลุกเสกนี่ขาหาักขาเดี่ยงไป1นึ ง, น ง, น ง, งานโอ้เต่อไปเลยกลายเป็นพุทธาพิเศษกับปลุกเสกนี่ต้องเหลือว่าพุทธาพิเศษครั้งที่30ปีหน้าครั้งที่31แต่ปลุกเสกต้องครั้งที่29ครั้งที่30 พพุท ธ, ธาภิเศกครั้งที่สาสิบไปแล้วข้างหน้าครั้งที่สาสิบเอ็ดได้ปลุกเสกไม่เกิดกลายไปข้างหน้าต้องครั้งที่สามสิบไปย่ำเท้าอีกทีเออก็ว่าไปทั้งๆั้ที่เขามาด้วยกันไปได้วยกันมาพร้อมกันมาตลอดมาถึงอายุสามสิบเนี่ยมันเข้าไงขาขาเปในตอนอายุสามสิบได้ <c oughs> มีคนให้ข้อคิดมาบอกว่าอ่า นักมวยคู่นั้นเนี่ยนักมวยที่ชกกันบนเวทีนี่มีคู่นึงเนี่ยเราเป็นนักมวยชนิดแบบผลกิ่งเพชรฟุตเวิร์ก ด, ดีหมัดมวยดีลีลาดีเก็บหมัดยับหมัดน็อกหมัดอะไรเก็บหมัดชกเอาคะแนนไม่ใช้หมัดน็อกเพราะเรารู้สึกว่าน็อกมันรุนแรงมันรายแรงเราไม่พยายามเป็นมวยมวยน็อกเราเป็นมวยลีลามวยศิลปะมวยชั้นสูงใช้ปัญญา ใช่ลีลาเก็บคะแนนไปได้คะแนนแล้วตอนนี้อาตมาว่าคนดูในสนามนี่เห็นชัดแล้วแต่นักมวยคนที่อยู่เนี่ยน็อกไม่ลงไม่ได้น็อกทางน็อกน็อกทางเก็บคะแนนนี่ไม่ลงเพราะว่าเขากินยาสมุนไพรต้มรากยากมาโดบโอ้โหคนช่างมองช่างอ่านเจ๋งเลยกันนักมวยที่ยังน็อกไม่ลงขนาดนี้นี่ได้ยาสมุนไพรยอย่างดีคือ ได้กินต้มรากยาต้มรากยามาดื่มคำว่าต้มก็สวยเลยนะภาษาไทยนี่ช่างอะไรมันอะไรช่างดีขนาดนี้อสอดคล้องทุกอย่างเลยเขาได้ต้มรากยามาดื่มเขาก็เลยมีกำลังวังชายังนกไม่ลงขนาดนี้เพราะว่านอกอย่างแบบศิลปะไม่ได้นอกแบบเลือดตกยางออกข้าแกงไม่ได้นกแบบซาดิส น็อกแบบคอมเพสชั่นน่น็อกแบบคอมเพสชั่นไม่ได้น็อกแบบสาดิสเดมาอ่าอ่าเป็นเทคนิคอลใช้เทคนิคเทคนิคอลน็อกเอาไม่ได้น็อกเอาแบบว่าอ่าเป็นเทคนิคอลน็อกเอาอ่าอาจจะยกมือกลางสนามเรียกว่าเทคนิคอลน็อกเอาเพราะว่าคะแนนชัดแล้วนะ่ะคะแนนชัดแล้วเก็บ คะแนนชัดแล้วแร ก, กว่าเทคนิคนอกเอาจับมือยกกลางสนามจับเราน ะ, ะเราก็ฝันไปอ๋อต่อยังไงก็ไม่แตกหน้าด้านต่อยังไม่แตกออก็อีกภาษาหนึ่งเนาะอีกภาษาหนึ่งเอ๊แต่ว่าแม่ได้กินต้มรากหญ้านี่ทำไมมันถึงลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะรากหญ้านั้นรากหญ้าชนิดต้มเลยนะต้มจนสุกเลยนะ มันทําไมมันถึงมีภาษาไทยมันลึกซึ้งดีเนาะออไปต้มหลากหลามาดโด อ, อฟังแล้วลึกซึ้งหลายชั้นเนาะเอา้าก็ว่าไปเอ า, เอาละอตมาว่าเราก็คงได้ขยายความอาให้เข้าใจกันได้แล้วว่าเราก็อยู่อย่างหนึ่งมีผลที่เราเห็นเรารู้สองมีสุขมีสุขที่เราเห็นเรารู้ว่าเอ้นี่มันเป็นสุข สุขเพราะอะไรสุขเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราได้ได้อะไรเกิดอะไรดีอะไรประโยชน์ตนได้ไม่ประโยชน์ท่านได้ไม่ความสูญเสียอะไรอะไรก็อย่าไปกังวละนะก็พิจารณาอาตมากช็ชี้อธิบายให้ฟังแล้วว่าเราก็ชี้ส่วนที่ควรจะพิจารณาว่ามันอะไรตะไรสูญเสียบ้างและความสูญเสียนั้นมันสูญเสียแล้วพอจะกอบกู้ได้ไหมถึงขั้นมันล่มสลายล่มสลายหรืออะไรไหมมันก็ไปถึงล่มสลายสูญเสียบ้างและถือเป็นการเสียสละได้ไหมความสูญเสียนั้น ถือเป็นการสละได้เหมือนกันนะนี่คือลักษณะธรรมต่างๆที่เราจะต้องอ่านและจะต้องศึกษาลึกซึ้งกันให้ดีๆเพราะการเทศวันนี้เนี่ยอาตมาว่าเป็นการขยายรายละเอียดอะไรต่างๆนานาไม่น้อยนะไปศึกษาดีๆนะเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาตอนนี้มันไม่ใช่เทปแล้วยิ่งคัดเสร็จมันยิ่งไม่เหลือแล้วตอนนี้มันกลายเป็นดิสไปหมดแล้วแล้วก็เร็วด้วยนะ ราคาถูกกับ่าเสร็จนะคัาเสร็จนี่นมันตลับหนึ่งต่อบบาทอันนี้ไม่ถึงแผ่นหนึ่งไม่ถึงสิบน ะ, ะก็เก็บได้ดีกว่าเก็บได้ง่ายกว่าด้วยก็ได้สาธยายอะไรไปแล้วก็เอาธรรมะที่เทศน์้ฟังนี้เอาไปทบทวนไปดูอาตมาอาจจะขยายหลายเรื่องมันอาจจะไม่ละเอียดละอ่อนักแต่คิดว่าพเรามีภูมิปัญญาพอที่จะไปทาความเข้าใจ ถือว่าอะไรไม่ได้อธิบายก็อันเดอร์สตูดไวในนั้นทั้งหมดก็แล้วกันคุณก็ไ ป, ไปพิจารณ า, าพร้มความเข้าใจเพิ่มเติมเอาเองก็แล้วกันนะเอาละสำหรับวันนี้ก็คิดว่าก็มาสรุปตัวสำคัญว่าหนึ่งเราจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่นะและไม่รู้ว่าจะได้จากที่นี่ไปไหนเมื่อไรอย่างไรไม่รู้เราต้องปักหลักเป็นหลักให้ อยู่ซะ ก, ก่อนนั่นหนึ่งสองและพวกเราจะไปก็ไปคนไหนที่จะสมัครใจที่จะไปร่วมชุมนุมอยู่ที่ภารก้อนนั่นก็ไปแต่ต้องดูงานนะว่าบางทีบางคนก็ทํางานหลักๆอยู่แล้วถ้าจะทิ้งไปแล้วเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเราเป็นตัวคีย์แมนอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะทิ้งตรงนี้ไปเส้นแล้วเนี่ยงานมันจะเสียไหมก็ต้องพิจารณาเอาแต่อยากไปอยากไปอยากไปเสร็จแล้วก็ทิ้งงานไปก็ไม่ดีนะ เพราะงหนึ่งเราปักหลักที่นี่สองผู้จะไปชุมนุมร่วมที่นน้นก็ไปส่วนผู้ที่อยู่ที่นี่ก็ต้องมีแน่นอนเหลืออยู่ทีนี้ก็บอกสมณะไปไหมยังสมณะปักหลักอยู่ที่นี่เป็นมวนนั่งพักอยู่ที่นี่แหละนั่งอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีเรื่องน้อยลงระวังมันจะง่วงเยอะเพราะเรื่องมันน้อยลงถ้าเรื่องมันมากๆมันก็ปลุกให้เราตื่นอยู่ได้แต่เรื่องมันไม่มากนัก มันก็จะทําให้เราง่วง<ม>ก็ระวังหน่อยหนึ่งนะระวังอย่านั่งง่วงก็นั่งนิง่งนั่งนิง่งนสงบนี่แหละอาตมาว่าพวกเราได้มาแสดงทำตามสิ่งที่ควรนะไอ้สิ่งที่จะต้องให้นิ่งสิ่งที่ต้องให้มีลีลามีเส้นแสงมีอะไรอะไรขนาดไหนเราก็จัดสรรนะจัดองค์ประกอบศินจัดสีจัดแสงเสียงอะไรต่างๆนาะนาะนะองค์ประกอบต่างๆเราก็ทําแล้วเราก็อธิบายแล้วเราก็พอเข้าใจ ดงแม้แต่ว่าเราไปเดินบินธบาดอยู่เราไปกันอย่างมีระบบระเบียบระมีอะไรต ะ, ะไรเป็นตัวที่นิ่งแต่แม้แต่นิ่งเราก็เคลื่อนไหวในความเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวอย่างมีสติสัพชัญญะปัญญาว่าเราควรเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่างนี้ควรจะมากไปน้อยไปอะไร ต, ไร ต, ต่างๆนาะนาะมันเป็นระบบเป็นระเบียบคนก็หาพวกเราในี่เป็นพวกที่ไร้ระเบียบแต่ถึงจะไร้ระเบียบเขาว่ากัจังก็กเถอะ ของเราไร้ระเบียบจริงๆไม่ใช่ไร้ระเบียบของเราเป็นระเบียบด้วยซ้ําไปก็ใช้ได้าทางยังไม่รู้ตอนนี้ว่าเราจะต้องคารวะที่จะทําอาหาราเราจะต้องทําอาหารส่งไปทางโน้นหรือไม่แค่ใดมันไม่ไม่รู้แล้วตอนนี้เรายังไม่รู้ที่โน้นแต่ที่โน้นก็คนจะมีไปรวมกันอีกคนที่เขามีเงินมีทองมากขึ้นนะ ที่นี่คนต่างจังหวัดคนที่ฐ า, านะไม่ค่อยดีนักมามากแต่ไปที่ที่โ น, น, น้นมันอีกญ่านหนึ่งคนจะมันแน่นกันอีกญ่านหนึ่งเพราะงั้นก็มันจะมีอีกรูปรักษณ์อีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้ก็เลยยังไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะต้องทําอาหารเสริมไปให้ทั้งโน้อนอีกเท่าไหรแค่ไหนก็ค่อยๆติดตามกันดูนว่าจะทําอะไรเท่าไหร่ยังไงส่วนอื่นๆ ที่นี่คนน้อยลงการดูแลช่วยเหลือกันในเวลากลางค่ากลางคืนหรืออ ะ, ระอะไรต่างๆนานาเ น, น, นี่ยคงจะต้องเอาภาระมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่ตารวจก็คงจะลดลงไปตารวจก็ยังลดลงไปตารวจมาต่อรองมาคุยกับเราเหมือนกันว่าอยากจะขอเปิดถนนนี้ให้รถวิ่งผ่านเราบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะนรา ย, ยังมีคนอยู่ที่นี่เป็นหลักมีผู้หญิงมีทั้งสาวแก่แม่ไม้ แม่ไม้ก็มีจริงๆนะคือไม่ทิ้งสามีมาซะเลยให้สามีอยู่บ้านเลยไม่ต้องมาเมื่อไม่เชนชอบก็อยู่ที่น้นเลยฉันจะมาละแล้วก็มาก็มี น, นี่ก็พูดไปงั้นแหละนะมีทั้งเด็กทั้งเล็กมีทั้งอะไรต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยก็ขอร้องตำรวจเขาบอกว่าอย่าเปิดเลยขอปิดกั้นไว้ก่อนถนนนี้ แล้วก็ขอร้องว่าอยากให้มวมาพิ่งผ่านวิ่งผ่านเลยคือเขาเองเขาก็ต้องดูมันก็เป็นงานเขาเราก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะเพราะว่างานพุ่งนี้วันอนี้สิเปิดแล้วงานการชาติเขาเปิดแล้วเพราะว่าถ้าปิดถนน น, นี่แต่ทจริงมันช่วงสั้นแต่เขาก็รัดได้นะแ่าจริงเขาก็รัดได้เรากำก็ต่อนึ่องไปโ น, น้มเหมือนกันมันก็สะดุดขึ้นมานิดนึงแหละก็ขอร้องกันเพราะว่าเหตุการณ์ของประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องแกนเรื่องใหญ่สําคัญ เราเองเราก็ไม่อยากจะมานั่งนอนอยู่ตรงนี้เรากลัวกบวัดเราก็ดีกว่าอู้เนาะอะไรๆมันก็เถงแล้วก็ไม่ได้อยากมานั่งมานอนอยู่ตรงนี้หรอกแต่มันเป็นความจำเป็นนะก็เลยต้องทำอย่างนี้ก็เลยเป็นว่าเอาละสรุปแล้วก็คือเราต้องอยู่กันที่นี่แล้วก็แบ่งกันไปนะแบ่งกันไปที่โนนใครจะไปก็ดูอ่าหรือไม่ดูดีๆนะไม่เห็นสมควรเอาแต่อยากจะไปร่วมมวูไปดูเหตุการณ์ แหมมาทั้งทีก็ต้องสัมผัสแต่คนชอบแบบนี้ก็มีก็ดูซิใจเรานะมันระวังมันจะทิ้งงานทิ้งการทิ้งพวกทิ้งหมู่ไปมากมายนะก็ไม่ดีนะเพราะทั้นี้ก็คงจะต้องมีอะไรตรอยู่อีกเหมือนกันนะส่วนจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูเหตุการณ์คืนนี้และพรุ่งนี้นะก็กะว่าสองวันเป็นอย่างมากซึ่งเราจะเดาอะไรก็ยังไม่ออกเพราะตัวแปรมันจะเยอะอะไรจะเกิดก็ยังไม่รู้ได้ว่าเราไม่ใช่หมอดูด้วยนะเราก็อะไไม่ได้ก็เอาแค่แค่นั้นก็แล้วกันนะ เอาละสำหรับวันนี้ก็ได้แสดงทำได้อะไรไดมาได้พอสมควรแก่เวลาก็ขอเอวัง